ขันศีข้อหลังซึ่งเป็นพวกนามขันมีข้อควรทำความเข้าใจเพิ่มเติมเพื่อเห็นความหมายชัดเจนยิ่งขึ้นและเพื่อป้องกันความสับสนดังนี้สัญญาเป็นความรู้จาพวกหนึ่งหมายถึงการหมายรู้หรือกำหนดรู้อาการของอารมณ์เช่นลักษณะ ส, สวดส่งสีสันฐานเป็นต้น ตลอดจนชื่อเรียกและสมมติบัญญัติต่างๆว่าเขียวขาวดำแดงดังเบาทุ้มแหลมอ้วนผอมโตปากกาหมูหมาปลาแมวคนเขาเราท่านเป็นต้นการหมายรู้หรือกำหนดรู้นี้อาศัยการจับเผชิญหรือการเทียบเคียงระหว่างประสบการณ์หรือความรู้เก่ากับประสบการณ์หรือความรู้ใหม่ ถ้าประสบการณ์ใหม่ตรงกับประสบการณ์เก่าเช่นพบเห็นคนหรือสิ่งของที่เคยรู้จักแล้วได้ยินเสียงที่เคยได้ยินแล้วดังตัวอย่างนายกรู้จักนายเขียวต่อมาอีกเดือนหนึ่งนายกเห็นนายเขียวอีกแล้วรู้ว่าคนที่เขาเห็นนั้นคือนายเขียวอย่างนี้เรียกว่าจำได้ พึงสังเกตว่าในที่นี้จำได้ต่างจากจำถ้าประสบการณ์ใหม่ไม่ตรงกับประสบการณ์เก่าเราย่อมนำเอาประสบการณ์หรือความรู้เก่าที่มีอยู่แล้วนั่นเองมาเทียบเคียงว่าเหมือนกันและไม่เหมือนกันในส่วนไหนอย่างไรเราหมายรู้สิ่งนั้นตามคำบอกเล่า หรือตามที่ตนกําหนดเอาว่าเป็นนั่นเป็นนี่ไม่ใช่นั่นไม่ใช่นี่อย่างนี้เรียกว่ากําหนดหมายหรือหมายรู้การหมายรู้เช่นนี้ย่อมมีหลายชั้นหมายรู้ไปตามความตกลงอันเนื่องด้วยความรู้สามัญบ้างเช่นว่าเขียวขาวเหลืองแดงเป็นต้น ตามนิยมของโลกของสังคมของวัฒนธรรมประเพณีเป็นต้นบ้างเช่นว่าอย่างนี้สุภาพอย่างนั้นสวยงามอย่างนั้นถูกธรรมเนียมอย่างนี้ผิดธรรมเนียมเป็นต้นตามนิยมและปรุงแต่งจำพาะตนบ้างเช่นว่าอย่างนี้สวยอย่างนั้นน่าชมอย่างนี้น่ามันไส้เป็นต้น หมายรู้สองชั้นแบบสั ญ, ญลักษณ์บ้างเช่นว่าสีเขียวแดงหมายถึงมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งเสียงระฆังสองครั้งหมายถึงการกินอาหารตลอดจนตามการศึกษาอบรมในทางธรรมเช่นหมายรู้ในภาวะที่ไม่เที่ยงหมายรู้ในภาวะที่เป็นอนัตตาเป็นต้น มีทั้งความหมายรู้สามัญและความหมายรู้ที่ละเอียดซับซ้อนคือสัมพันธ์กับขันอื่นมากขึ้นมีทั้งหมายรู้เกี่ยวกับรูปธรรมและหมายรู้เกี่ยวกับนามธรรมคำที่แปลสัญญากันว่าจำได้กำหนดได้หมายรู้กำหนดหมายจำหมายสำคัญหมาย ล้วนแสดงแง่ต่างๆแห่งความหมายของกองสัญญานี้ทั้งสิ้นพูดเพื่อเข้าใจกันอย่างง่ายๆสัญญาก็คือกระบวนการเรียกเก็บรวบรวมและสังสมข้อมูลของการเรียนรู้และวัตถุดิบสำหรับความคิดนั่นเอง สัญญาเกือ้อกูลแก่การดำเนินชีวิตของมนุษย์อย่างมากแต่ในเวลาเดียวกันก็มีโทษมิใช่น้อยเพราะมนุษย์จะยึดติดตามสัญญาทำให้สัญญากลายเป็นเครื่องกีดกั้นกำบังตนเองและห่อหุ้มคลุมตัวสภาวะไว้ทำให้ไม่สามารถเข้าถึงความจริงแท้ที่อยู่ลึกลงไปเพื่อประโยชน์แก่การศึกษาต่อไป ขอแยกสัญญาออกอย่างครา่คราวเป็นสองระดับคือสัญญาอย่างสามัญซึ่งกำหนดหมายอาการของอารมณ์ที่เกิดขึ้นหรือเป็นไปอยู่ตามปกติธรรมดาของมันอย่างหนึ่งและสัญญาสืบทอดหรือสัญญาอย่างซับซ้อนที่บางคราวก็ใช้คําเรียกให้ต่างออกไปเฉพาะอย่างยิ่งประปัญจสัญญา ันหมายถึงสัญญาเนื่องโดยอารมณ์ที่คิดปรุงแต่งขึ้นให้ซับซ้อนพิสดารด้วยแรงผลักดันของตัณหามานะและทิฏฐิซึ่งเป็นสังขารชั้นนำในฝ่ายร้ายอีกอย่างหนึ่งการแยกเช่นนี้จะช่วยให้มองเห็นความหมายของสัญญาที่กำลังแสดงบทบาทอยู่ ร้อมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างสัญญากับคันอื่นภายในกระบวนธรรมะได้ชัดเจนยิ่งขึ้นสำหรับคำว่าสัญญานั้นคำพีชันอักคกถาแสดงลักษณะนหน้าที่เป็นต้นของสัญญาไว้ว่าสัญญามีลักษณะจำเพาะคือสัญชาต คือจำได้รู้จักมีหน้าที่ทำเครื่องหมายไว้เป็นปัจจัยแห่งการจำได้หรือรู้จักต่อไปว่านั่นคือสิ่งนั้นเหมือนดั่งช่างไม้เป็นต้นทำเครื่องหมายไว้ที่วัสดุมีตัวไม้เป็นอาทิมีผลปรากฏคือเกิดความยึดถือไปตามเครื่องหมายที่กําหนดเอาไว้ เหมือนพวกคนตาบอดคลำช้างยึดถือไปตามเครื่องหมายที่ตนจับได้ว่าช้างเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นมีประทัดฐานคืออารมณ์ตามที่ปรากฏเหมือนลูกเนื้อเห็นหุ่นคนที่ผูก ด, ด้วยมัดยาสำคัญหมายว่าเป็นคนจริงๆถ้าเทียบกับหลักจิตวิทยาฝ่ายตะวันตก สัญญาจะครอบคลุมเรื่อง perception conception และ recognition แต่ไม่ใช่ memory ทั้งหมด